คกรจะตรวจน้าล <c oughs> แล้วโพลแล้วขอเก่าสมโที่ยะกถาจะให้ตถาจ้าจอมที่มาทาบุญนวันนี้วันแรกสิบห้า่ำเดือนแปดจะให้เป็นกินดีในผลฐานของตนยิ่งขึ้นอย ก่อนจะให้ก็มีความยินดีเือนเช้าขึ้นมาเตรียมอาหารบินทืบอดจตุปจอยนิจตถะนับวันนับเดือนนับปีวันพระวันเฉินเฉดวันหน่น้ำข้างหนึ่งบราณท่านว่ามาทำบุญล่องบาบ <c oughs> ขณะที่ให้กำลังให้อยู่ก็มีความยินดี ให้แล้วก็มีความยินดีสามวทานของท่านจะมีผลใหญ่มีอนุสงญ่จ้างให้แล้วรู้สึกเสียดายกำลังให้ก็มีศรัทธาก่อนจะให้ก็ถูกวังคับไม่มาแล้นั้นก็บุญ น, น้อยเพราะฉะนั้นถึงอย่างไรก็ตามทานของท่าน เป็นข้าบอหอนจริงเ่านี้เรามองเห็นเป็นวัตถุมันแปลสภาพเป็นบุญเป็นแปลสภาพเป็นบุญบุญวัตถุอันนี้ไม่ได้ไปถึงมากถึงผลแต่ว่าเราอิ่มใจสุขอยรวมอิ่มใจสุขใจความดีใจได้ทำได้ทำบุญได้ทำทอนนั้นเป็น อาหารทั้งใจ น, นั่นแหละเป็นบุญมีความยินดเีเป็นที่ได้เห็นกับตาได้เป็นตาเป็นเลนถ่ายภาพพิวิษเราหวว่าเราได้เคยทำอย่างนั้นอย่างนี้ทำดีได้ทานได้เสียสฉลาได้เ ฉ, ฉมาทานชินอันนี้ก็เป็นตา่ามันลบไม่ได้ถ้าเราไม่มีอะไรเลยมันก็ไม่มีอะไร เป็นที่พึ่งอาศัยทางจิตวิญญาณทางจิตวิญญาณก็มีอาชีพนะอาชีพของจิตวิญญาณคือศิลคือฐานภาว น, นาอาชีพของรูปของกายคือทำว่าอยูท ำ, ทำนาทำมาข้าวข า, ขายหาเหงินนาทองเสื้อข้าวเสื้อน้าหมาจินแล้วก็มีสองส่วนชีวิตเรามีกายมีใจต้อง ไม่ใช่จะพจะทุ่มเทเรื่องกายอุโภคบริโภคจนผู้พืพ่อพรมพวยแต่ใจเหงดแนงไม่มีอะไรเป็นที่พึ่งอาศัยได้นั้นก็ไม่สมบูรณ์แบบแต่ว่าใจนี่มันมันจะพาไปสู่ในโลกเป็นเปตพ โ, โลกกายเป็นทุกข์เรื่องของใจใจมันเป็นใหญ่แต่ไม่ค่อยเอาใจใส่นั้นก็ไม่สมคุ้มค่ า, ากัน อยล้นแต่ทางกายแต่ใจนนเสื่อมไม่มีคุณภาพคุณธรรมมีใจก็พึ่งใจไม่ได้ไม่รู้ว่าจะเป็นอย่างไรใจเราเนี่ยไม่มั่นใจตัวเองบางคนคิดอย่างนั้นพูดอย่างนั้นหลงมาพูดให้การฟังหลมมันม่นใจไม่รู้วจะเป็นอย่างไรคุ้มร้อยคุ้มดีผู้ผู้แพร่แพรแต่นั่นล่ะอันตรายเราจึงต้องฝึกหัดให้มีฐานมีศีลมีภานวนา เป็นที่เกิดหองบุญของกุศลการของท่านนี่ก็ไม่โฉนเสียปไปไหนมันมาเป็นเลือดเป็นเนื้อของพวกเรามันมาเป็นชีวิตของพวกเราเท่ากับท่านให้ชีวิตให้เลือดเนื้ออ้ยชีวิตของเราชีวิตของเราไม่ใช่โจรผู้ลอยเป็นหรือว่าเป็นนักบวชกันลังล่อความชั่วเต็มที่ทาลังทําความดี มีอะไรดีๆก็มาบอกญาติโยมถือว่าเป็นแนวหน้าก็ไม่สูญเสียหลายเท่ากับท่านให้ชีวิตของชีวิตหนึ่งไม่ใช่สนอสนรุนเป็นโจรผู้้อยให้แล้วเขาไปพ้นได้อดข้าไปโกงคนอื่นอันนี้พวกเราไม่เป็นอย่างนั้นเป็นพระสงฆ์ในผู้ตรัสถติหนามีระเบียบมีวินหน่อยคิดก็ผิดแล้วเป็นบาปแล้วเราจึงตอนของท่านจึงไม่ใช่ ไม่ใช่เรื่องที่มันจะไม่มีประโยชน์มันมีผลใหญ่อในชนงใหญ่ทั้งสองส่วนท่านก็ยินดีแล้วก็ได้ชีวิตเพื่อทำความดีจึงเป็นเรื่องที่น่านอุทนาอย่างยิ่ง